และจะยอมตายจริงๆหากโจรผู้นั้นถูกฆ่าตายในที่สุดเศรษฐีจึงให้คนไปถ่ายโจรมาด้วยทรัพย์หนึ่งพันกะหาปณะนะราชบรุษได้ฆ่าชายคนหนึ่งแทนแล้วกราบทูลพระราชาว่าได้ฆ่ามหาโจรผู้นั้นแล้ว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 ถ้ากระนั้นพี่มีเรื่องร้อนใจอะไรบอกน้องสิคะน้องจะช่วยทุกอย่างโจรเจ้าเล่จึงกล่าวว่าในวันที่ถูกจับนั้นได้ผ่านภูเขาที่ทิ้งโจรได้บนบานกับเทวดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ณที่นั้นว่าหากรอดชีวิตได้ก็จะทำพลีกรรมแก่เทวดายางใหญ่หลวงบัดนี้ก็ได้รอดชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้ทาพลีกรรมแก้บน เรื่องแค่นี้ไม่น่าคิดมากเลยพี่ภรยาปลอบน้อยจะจัดพลรกรรมอย่างดีทีเดียวพี่เบาใจเถิดพนรุ่งขึ้นนางได้จัดพลรกรรมทุกอย่างเช่นข้าวมัทุ ป, ปายาที่มีน้ำน้อยข้าวตอกและดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วขึ้นสู่ยานไปยังภูขเขาที่ทิ้งโจร น, นาประดับตกแต่งร่างกายด้วยอาพรอเลิศขาเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งโจรจึงขอให้ญาตกลับ เพื่อจะได้รื่นเริงบันเทิงสุกกันเพียงสองคนเมื่อจวนเจอขึ้นภูเขาเขาก็ขอร้องให้คนนำของกลับเขาทั้งสองนำาพลีกรรมไปเองเมื่อถึงภูเขาอันโกรกชันเป็นที่สำหรับทิ้งโจรแล้วภรรยาก็ขอให้สามีทำาพลีกรรมแม้นางจะอ้อนวอนอยู่สองสามครั้งโจร น, นั้นก็นิ่งเฉยทำไมพี่ไม่ลงมือทำาพลีกรรมคะนางถาม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 มันไม่มีค่าอะไรในตัวของมันเองดอกคนทั้งหลายไปหลงยิปมันเองและมันมีปกติให้โทษมากกว่าให้คุณประรุปดังนี้แล้วทิ้งอาภรเหล่านั้นเสียมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าไปถึงอาสมของปริภาชกแห่งหนึ่งนางขอบวชกับปริภาชกเหล่านั้นปริภาชกทั้งหลายได้ทราบเรื่องของนางแล้วก็บวชให้ด้วยความยินดีในสำนักปริภาชกนั้น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 ไม่ปลอดโปรงแท้จริงส่วนผู้ชนะกิเลส ข, ของตนได้แล้วเป็นผู้มีความสุขแท้จริงปลอดโปรงอย่างแท้จริง